วิญญาณเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมเมื่อเราเอาอกระดาษใส่เข้าไปในกองไฟในที่สุดกระดาษก็กลายเป็นขี้เถ้าไฟหรือความร้อนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กระดาษกลายเป็นขี้เถ้าเพราะเหตุที่ความร้อนมีอานาจเช่นนี้ทางวิทยาศาสตร์จึงเรียกความร้อนว่าเป็นพลังงานในทนองเดียวกันคนที่ตายแล้ว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 พระเจ้าขอให้ท่านนึกถึงการเกิดของต้นไม้อีกสักครั้งหนึ่งเมื่อเราเอ า, มาเมล็ดผลไม้ปิดเพาะลงในดินในไม่ช้ามันก็จะออกรากเกิดลําต้นเกิดกิ่งเกิดใบขึ้นโดยลําดับขอให้ท่านพยายามสลัดความคิดเก่าๆออกไปให้หมดแล้วมองดูการเกิดของต้นไม้พยายามมองให้เห็นว่าตัวธรรมชาติที่ทําให้มเมล็ดออกรากและทําให้เกิดลําต้นเกิดส่วนต่างๆของต้นไม้หรือพูดอีกในญ่าหนึ่ง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 ซึ่งในที่สุดก็ได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนเหมือนกับมเมล็ดพืชซึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ให้ท่านสังเกตว่าอวัยวะทุกๆอย่างภายในร่างกายหน้าที่ของอวัยวะต่างๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นมามีความหมายทั้งสิน้นหมายเหตุผู้อ่าน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 อาจจะได้ร่างกายเป็นหญิงทั้งที่ใจยังรู้สึกเป็นชายหรืออาจจะได้ร่างกายเป็นชายกำยาอย่างที่เคยชอบอย่างเหนียวแน่นแต่ความรู้สึกในใจก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงตลอดเวลาหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นถ้าชาติก่อนๆเคยมีจิตฝังใจชอบคนขนดกแน่นอนว่าเกิดใหม่ก็อาจจะกลายเป็นคนขนดกได้โดยง่ายโดยที่จะเห็นนะครับว่าบางสิ่ง น, นั้นไม่ได้เกิดมาทาหน้าที่อะไรโดยเฉพาะ แต่เกิดเพราะวิบากของกรรมคือมโนกรรมที่สะสมไว้อย่างเข้มข้นแล้วก็ยังมีข้อบกพก่อย่อยอยีกคือหลายครั้งอาจจะไม่ได้ชอบแต่เป็นการเกลียดอย่างรุนแรงหรือเป็นการปรามาสสะใจที่ได้ด่าได้ล้อเลียนส่วนบกกร่องของผู้อื่นความสะใจในการด่าในการเหยียดหยามรูปลักษณ์ของผู้อื่นก็จะเป็นข้อมูลฝังในจิตไวลึกมากเป็นข้อมูลที่ทาให้จิตไร้สานึกเข้าใจผิด ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ชอบสิ่งที่ต้องการเมื่อเกิดใหม่ก็อาจจะมีความบกพร่องทางร่างกายได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เคยด่าอ ย, ย่างสะใจสนุกปากหรือมีความสุขใจที่ได้ล้อเลียนคนอื่นไว้ให้สังเกตนะครับว่าการกระทําด้วยความสะใจด้วยความสุขใจด้วยความสนุกของตัวเองก็อาจสง่งผลให้เกิดข้อมูลผิดสะสมไว้ในจิตไร้าสานึกจนเมื่อเกิดใหม่ก็นาข้อมูลเหล่านั้น ออกมาสร้างเป็นรูปลักษ์ที่เคยล้อเรียนหรือเคยเหยียดหยามเข้าไว้ได้ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปลีกย่อยนะครับแต่ต้องขอหมายเหตุเพิ่มไว้เราเกรงว่าถ้าหลายท่านได้เห็นประโยคที่ผ่านมานั้นว่า อ, าอาวัยวะทุกส่วนของร่างกายเกิดขึ้นมาล้มมีความหมายบางครั้งอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเกิดมาเพื่อทําหน้าที่อะไรแต่เกิดมาด้วยความหมายของส่วนที่ว่าเป็นผลของวิบากของกรรมเป็นมโนกรรมที่เคยทําไว้